บทภาชนี245บอกห้ามพัตทหารแล้วภิกษุสำคัญว่าบอกห้ามพัตทหารแล้วนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปรณาต้องอบัติปาจิตตีบอกห้ามพัตทหารแล้วภิกษุไม่แน่ใจนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปรณาต้องอบัติทุกกดบอกห้ามพัตทหารแล้วภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้บอกห้ามพัตทหารนำของเคี้ยวหรือของฉัน ที่ไม่เป็นเด่นไปปรวรรณาไม่ต้องอาบัตภิกษุนายามากาลิกสัตตาหากาลิกยาวชีวิกไปเป็นอาหารต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรับไว้ตามคําของภิกษุผู้นำไปนั้นด้วยตั้งใจว่าจะฉันภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้รับฉันภิกษุผู้นำไปต้องอาบัตทุกกฎทุกๆคํากลืนยังไม่ได้บอกห้ามพัฒหาร ภิกษุสำคัญว่าบอกห้ามพัตทหารแล้วต้องอบัตทุกกฎยังไม่ได้บอกห้ามพัทหารภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎยังไม่ได้บอกห้ามพัทหารภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้บอกห้ามพัทหารไม่ต้องอบัต